สวดมันเต็มสูตรเช่นอย่างกรณียเมตสูตรเนี่ยปกติเขาจะสวดขึ้นว่าเมตัญจะสัพพโลกสัส m i s s หลวงพ่อขึ้นกรณียมัะกุสเลนะสวดเพีงสูตรเดียวนั่งเป่าแครนเลยที่แรกประนมมือเอาไว้ห่างๆอย่างนี้พอขึ้นกรณียมัตกุสเลนะเอามือมาชิดปากเลยเนี่ยแค่เนี้ยทดสอบ